อารมณ์ใดถ้าเป็นอารมณ์ของอวิชชาได้อารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ของปัญญาได้ก็เพียงแค่พลิกนิดหน่อยเท่านั้นเองที่เรียกว่ามีโยนิโสมนัสิกาเพราะขอให้เราฉลาดคิดแต่ทีนี้ถามว่าจะคิดอย่างไรอ่ะคนที่มีคําสอนก็คิดตามคําสอนนั่นแหละยกตัวอย่างเนี่ยที่กล่าวถึงโลภะเนี่ยนะเวลาที่เราเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ชอบใจก็นึกถึงคําสอนนี้สักหน่อยก็ยังดีเพราะในขณะนั้นก็ยังเป็นสติสังวร ว่าเออนี่โลภะนะมีโทษเป็นอกุศลเป็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะถึงกับว่าไม่สามารถละโดยสมุดเฉทประหารได้ก็มาค่อยๆสกัดกั้นไปอย่างหน่อยก็ยังดีค่อยๆแหวกออกมาจากพงหนามพงที่รกชัดนั้นได้บ้างแล้วยังกล่าวต่อไปถึงอารมณ์ของตัณหาอีกนะว่า คำว่ารกชัดภายในภายนอกเนี่ยบางครั้งก็เกิดในอัตภาพของตนและอัตภาพของคนอื่นเนี่ยน ะ, ะเหมือนกับที่พระองค์ตรัสไว้ในเจโตขีลสูตรเนี่ยนะเจโตวินิพันธะเนี่ยเครื่องผูกพันหประการก็คือติดใจในรูปติดใจในกายพิสูจน์บางรูปที่ไม่มุ่งปฏิบัติไม่มุ่งเจริญกรรมฐานเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆก็มัวแต่ติดพันในรูปร่างกายของตัวนั่นแหละมาเ อ, อเายังหนุมไปเรายัง อายุไม่มากสุขภาพยังดีอยู่เป็นต้นเนี่ยนะเพะนั้นเขาบอกว่าพิสูรรูปใดที่มัวเมาในวัยมัวเมาในร่างกายมัวเมาในความรู้พิสูรเหล่านั้นสามารถที่จะสขาเป็นคารวาตไปได้ถ้ามัวไม่ในวามัวเมาในวัยมัวเมาในรูปร่างผิวพรรณเป็นต้น น, นะนะปัญหาก็อาศัยรูปร่างผิวพรรณข้างในก็เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยอารมณ์ภายนอกอาศัยบุคคลอื่นก็ เป็นอารมณ์ของตันหาได้เราถามดูนะว่าคนในโลกนี้นะที่ไม่เป็นอารมณ์ของตันหาของเรามีกี่คนน้อยนะอ น, นะในโลกนี้นะเราเกลียดคนที่เป็นศัตรูเรากับคนที่เราชอบไหนมากกว่าเราจะเราจะชอบคนมากกว่าสมมตินะถ้าใช้คำว่าคนไทยเราชอบใช่ไหมค น, คนไทยนะฟังแต่ชื่อชอบแล้วว่ามันติดพันนะนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งหลายเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นอารมณปัจจัยของ โลระเป็นอารมณปัจจัยของตัณหาทีนี้ถ้าเทียบ ว, ว่ามนุษย์ในโลกกับมนุษย์ต่างดาวเข้ามาเนี่ยเราก็บอกอมนุษย์ในโลกเป็นเหมือนกับเพื่อนเราใช่ไหมเราก็ยินดีติดใจไปทั้งหมดอ่ะ <c oughs> ยกตัวอย่างนะแม้กระทั่งอสุนัขที่บ้านก็เหมือนกันนะถ้าปกติถ้าบอกว่าสุนัขเออถ้าของบ้านเราก็ต้องพิเศษกับของบ้านคนอื่นใช่ไหมเพราะอะไรก็ตามถ้าได้เกี่ยวข้องก็เป็นอารมณปัจจัยของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละทั้งอัตภาพของตนและอัตภาพของ เพราะเอื่ออาศัยรูปร่างกายขยายตั้งแต่หยาบเลยนะขยา ย, ยหยาบๆยาบแบบเข้าของเครื่องใช้ก่อนแล้วก็รูปร่างกายแล้วท่านก็ขยายละเอียดไปว่าในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกที่จริงเราติดอายตนะภายในมากกว่าอายตนะภายนอกเนี่ยนะนะรูปร่างจะไม่ดียังไงก็ขอให้มีตาก็ยังดีใช่ไหม ต้องการตาหูจมูกกลิสนร่างกายและก็ในส่วนที่เป็นใจเรายินดีมากกว่าอายตนะภายนอกเนี่ยนะอายตนะภายนอกคือรูปเสียงเกลิ่นรสโพธะพระและธรรมรมณ์รูปนั้นทั้งในรูปภายในตัวสีเนี่ยนะสีภายในตัวและก็สีภายนอกตัวก็เรียกว่าอายตนะภายนอกเสียงเสียงของตัวเองหรือว่าเสียงของคนอื่นก็ชื่อว่า อายตนาภายนอกกลิ่นเนี่ยนะกลิ่นจากข้างในก็ตามจากข้างนอกก็ตามก็เรียกว่าอายตนาภายนอกรสโพธะก็เหมือนกันและเจตสิกทั้งหมดก็ชื่อว่าเป็นธรรมายตนะเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันสุขุมะรูปก็เป็นอายตนาภายนอกอาโปทาที่มีในกายนี้ก็ยังเรียกว่าอายตนาภายนอกนั่นอายตนะภายในมีแค่6อย่างเท่านั้นเองส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็น อายตนะภายนอกนอกเนี่ยคือคือนอกนอกอายตนะหกเรียกว่าอยตนะภายนอกแล้วนอกตัวด้วยทั้งหมดเหล่านั้นเป็นอารมณปัจจัยของตัณหาทั้งหมดเลยนะเว้นไว้แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นอปิยรูปอาสาตรูปตัณหาก็ไม่เกิดแต่ก็ยังนับว่าเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอีกเพราะเพราะอะไรอภิอยรูปอาสาตารูปเป็นปัจจัยให้เกิดทุก ข, ขเวทนาทุกขเวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยของโทสัต น, นะหรือโธมานัตเวทนาเวทนาเกิดเนี่ยแสดงว่าไม่ชอบแบบนั้นแสดงว่าชอบอย่างอื่นตันหาก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นเกิดต่อไปมาอีกครั้งหนึ่งั้นตันหานี่มันรกชัดนะทุกๆอารมณ์นะเหลียวแลไปตรงไหนเป็นอารมณมณะปัจจัยของตันหายกตัวอย่างแม้แต่เข้าไปในห้องน้ําที่ไม่สะอาดก็อยากให้มันสะอาดนะตันหาก็ยังไปเกิดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะทีนี้หมู่ประชาคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ถูกชัดที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้นั้นเกาะเกี่ยวไว้แล้วก็บอกว่าคำว่าตัณหาที่เกิดชัดอยู่อย่างนี้เกาะเกี่ยวไว้ก็คือตัณหาแม้โดยความต่างแห่งประเภทไม่ใช่น้อยตัวตัณหาเนี่ยนะวิจิตหลากหลายนะความวิจิตของตัวตัณหาเนี่ยนะตัณหากับอารมณ์แห่งตัณหาเหมือนกันไหมเหมือนกันนะตัณหากับอารมณะปัจจัยของตัณหาเหมือนกันไหม ไม่เหมือนอ๋แสดงว่าเก่งมากอนนอา้าวคือจะได้สะดุดไงแล้วจะถามว่าตันหามีเท่าไหร่ตันหามีร้อยแปดนะอนะันน้นับตันหานับหนึ่งก็ได้ก็คือความที่ยินดีติดใจในอารมณ์อ่ะสรุปแล้วเพลินในอารมณ์อย่างเดียวชอบในอารมณ์อย่างเดียวยึดติดอย่างเดียวนี่เรียกว่าตันหาอย่างหนึ่งตันหานับสามก็ได้นะเป็น การมติฐานฐาที่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโพธตัะหาที่เกิดร่วมกับสัสตตทิฏฐิเรียกว่าภาวะหาตันหาที่เกิดร่วมกับกุเฉททิฏฐิเรียกว่าวิภวะฐานฐานับสามก็ได้นับหได้ไหมหาที่ชอบในสีเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมารมณ์อารมณ์6ก็เป็นอารมณปัจจัยของฐานหานสามถ้าคูณอารมณ์6ได้เท่าไหร่นะ <18. S 1> ได้18เลยนะ ทีนี้ถ้าส8บแปดแล้วคูณภายในกับภายนอกเป็นสาสกนะสิบแดบวกบก็เท่ากับสา6สหกอ๋อยังก่อนเอาแค่ส8บดบวกสบก่อนคูณสอง่าแล้วก็สาสิหนี่นะตันหาทั้งที่เคยเกิดในอดีตทั้งที่จะเกิดในอนาคตที่กำลังเกิดในปัจจุบันสามสิบหก คูณสามเท่ากับร้อยแปดสามสิบหกคูณสามสิบหกเอ่อสามสิบหกคูณสามเท่ากับร้อยแปดโอ้สรุปแล้วมันเกิดมากอ่ะนะเพียงที่จริงอะ่ะที่ท่านพูดอย่างนี้คอยรู้ว่ามันมากอะ่ะคือตันหาทั้งที่เคยเกิดแล้วตันหาที่จักเกิดตันหาที่กําลังเกิดก็ให้รู้ว่ามันเยอะเท่านั้นแหละกำว่าคือตันหาทุกตันหาเนี่ยนะ หน้าที่ของเขาอย่างหนึ่งก็คือนําเกิดในภพใหม่ชื่อของเขานะโปโนพวิกานะนําเกิดอย่างเดียวเขาเกิดกับอารมณ์ใดก็ตามเขาโยนให้ปฏิสนธิในภพใหม่เพราะฉะนั้นข้าคนที่ยังชุ่มไปด้วยตัณหาเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าไม่ได้เกิดไม่ต้องกลัวเลยแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะ น, นั่นแหละถ้าอะไรก็งามไปหมดดีไปหมดเนี่ยแสดงว่าเกิดอีกนานเข <c oughs> าบอกว่า สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเพราะอะไรเพราะอวิชาเป็นเครื่องกลางกั้นและตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ก็ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเนี่ยนะที่พระสูตรต่างๆที <pad> ่กล่าวไว้ต่อไปว่าน้ําตามมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ยนะเป็นต้นไปเนี่ยนะก็คืออวิชาเนี่ยเป็นเครื่องบกปิดอะเป็นเครื่องหุ้มห่อตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ คือปกปิดอารมณ์เนี่ยไม่ให้เห็นอารมณ์นั้นโดยสัจจะนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเราเห็นเส้นผมบนศีษันนี่เราก็เห็นผมใช่ไหมเห็นสีอ่ะเป็นอารามณะปัจจัยของตัณหาถามว่าเราเห็นเส้นผมนั้นโดยสัจจะไหมเส้นผมเป็นสัจจะอะไรทุกขสัตนะโอ้เก่งมากเลยใครน ะ, ะในทุกขสัตมนี้กิจของทุกขสัตนะ กำหนดรู้อ้าวก็เห็นแล้วนี่ไงก็กาหนดนั่นไงนี่ผมอะ่ะพอหรือ ย, ยังกําหนดยังไงอ่ะนะกําหนดด้วยปริญญาสามนั่นเองนะผมเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยอะไรผมเนี่ยโดยขันทา่อาอริยตนะผมได้เป็นได้กี่ขันได้กี่ทา่าได้กี่อริยตนะอันนะ้แล้วผมเนะี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างานะอันนั้นเรียกว่ายาตาปริญญา ผมการพิจารณาถึงผมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นดังโูกสอนเป็นความลำบากเป็นต้นเป็นตีระปริญญาเนี่ยนะจนถึงการว่าตีระปริญญาเกิดมากสามารถที่จะปหานะวิปรลาธทำได้อันนั้นก็เป็นปหานะปริญญาที่เป็นโลกิยะผลที่พ่อพูนอินทร์บารมีมากก็สามารถเป็นปหานะปริญญาที่เป็นโลกุตระได้อันนี้ยกปัญญาเจตสิกอันเดียวนะยกหน้ากิจของปัญญา แต่ก็อย่าลืมว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยปัญญาอย่างเดียวพอไหมองแปดองแปดสัมมาทิฏฐินับหนึ่งในแปดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็ต้องสมดุลกันกับสัมมาทิฏฐิด้วยจึงจะเกิดการแทงตลอดอริยสัจได้แต่ส่วนใหญ่ท่านเน้นอินทรีห้าอินทรีย์ทั้งห้าต้อง สอดคล้องสมดุลการจริงจะเกิดการแทงตลอดอริยสัตว์ได้ฉะนั้นหมูสัตว์ที่ถูกตันหาเนี่ยนะเกาะเกี่ยวซึ่งตันหามันมากขนาดนี้และก็อารมณ์ของตันหาก็มากจริงๆอะนะไม่รู้ว่าเราอยู่กับคนห้าคนก็ได้อา ร, รัมมนะปัจจัยของตันหาห้าคนในห้าคนก็แตกเลี่ยย่อยอีกเพรา ะ, ะนั้นอยู่กับคนมากเท่าไหร่ก็อา ร, รัมมะนะปัจจัยของตันหามากเท่านั้นแหละ ไอตัวตันหาในใจเราก็นับบ่มมากอยู่เลยนะเกี่ยวข้องกับวัตถุธรรมอัพทยากตะธรรมอะไรก็ตามอะทุกอย่างเป็นอารมณ์ของตันหาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหไอพบใหม่ก็เลยไม่น่าเป็นห่วงกันนะเกิดอีกแน่นอนเนี่แต่นี้ก็พยายามสังเกตเอาแล้วกันว่าไอมรณาสานวิถีเนี่ยจะมีอะไรเป็นอารมณ์กันแล้วกัน แต่ทีนี้เราน่าจะฝึกก่อนนะไม่ต้องรอให้ช่วงนั้นอกุศลเกิดแล้วค่อยแปลเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นกุศลเนี่ยนะมันยากนะฉันพยายามที่จะไข้ครวนทุกๆอารมณ์เหมนเดนะ็กเพราะว่ากิจของทุกขสัตว์ก็คือการกําหนดรู้หรือปริญญาสาในขณะที่ทําปริญญาถ้ายาตะปริญญาเกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยทายาตะปริญญาละอะไรบ้าง ขณะที่ทำยาตะปริญญาเนี่ยเท่ากับละสมุทัยศัตร์โดยแต่ทางข้าประหารนะถ้าหากว่าเห็นโดยความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นจักขายตระนะเป็นต้นละสกายะทิฐิเนี่ยน ะ, ะเมื่อเห็นโดยความเป็นขันห้าอิยตนะ12บสาสบแปเป็นต้นเนี่ยนะการใคร่ครวญในลักษณะนั้นละสกายะทิฐิได้ถ้าหากว่ารู้ปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นก็จะละ ที่ทีที่ไม่มีเหตุคือบางคนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดลอยลอยใช่ไหมบางคนก็เกิดจากเหตุที่ไม่สม่ำเสมอเข้าใจว่าผู้นั้นบันดาลเสกเป่าขึ้นให้มีทุกข์สัตว์อนั้นขึ้นอะ น, นะถ้าหากว่ารู้ปัจจัยก็จะละความสําคัญผิดทั้งสองประการนี้ได้ทีนี้ถ้าหากว่าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยก็ละอะไรได้พิจารณาไม่เที่ยงก็ละ ความสำคัญเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นต้นได้นะที่เราเคยเมาอะไรมองเป็นรวมๆได้ก็จะเริ่มเกิดการแยกย่อยนะการแยกอย่างละเอียดทีนี้ถ้าหากว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงก็ละนิจจสัญญาถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาถ้าหากว่าเห็นโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตสัญญาเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกาหนัดเมื่อเห็นความดับก็ละสมุทัยเนี่ยนะ อันนะั้นเมื่อเห็นความดับละสมุทัยเมื่อสละคืนก็ละความถือมั่นอันนะั้นอนุปัสนาที่พ่อพูนมากๆบริบูรณ์ก็สามารถที่จะยังนในขณะที่ตามเห็นเนี่ยก็จะละวิปปาละทำไปเรื่อยๆลักษณะนี้อันนี้ก็เป็นตะทางฆ่าประหารจนถึงเมื่อประหารปริญญาที่เป็นอริยมรรคเกิดขึ้นสมุทเชทประหารก็จะเกิดในขณะนั้นเนี่ยนะ แต่อย่าลืมอินทรีย์ที่เหลือด้วยนะหมายจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวนะฟุ้งซ่านนะกนะุศลศีลไม่ดีจะเอาแต่วิปัสสนาอย่างเดียวนี่แหมมันก็นะอริยมรรคก็ต้องประชุมทั้งองค์8เว้นแต่อริยมรรคในทุติยาชานองเจ็ดอริยมรรคในทุติยาชานตัติยาชานจตุติชานมีองค์เจดถ้าในระดับปฐมมชานมีองค์8ถามว่าแตกต่างกันอย่างไร แตกต่างกันตรงที่ว่าอริยมรรคในปฐมฌานมีวิตตกะวิตกะอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าทุติยะฌานเป็นต้นไปไม่มีสัมมาสังกัปปะผมอ่านในพระสูตรนะฮะที่ท่านกล่าว บ, บอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานบ้างให้เจริญพชทธชงบ้างให้เจริญพะระบ้างอินทรีย์บ้างแม้กระทั่งอริยมรรคนะว่าให้เจริญเนี่ยน ะ, ะดูดูแล้วก็ก็เป็นสิ่งคล้ายคลึงกันซ้ำกันนะเช่นหมดเจริญให้เจริญ สี่ประธานสี่นะครับกับเจริญ อ, อริ ย, รยมรรยมมีองค์แปดนี่นะนก็ดูก็คือก็สิ่งเดียวกันนะะเชพผมก็ยังสงสัยว่าที่ท่านกล่าวไว้แยกแยกตั้งแต่ไล่ขึ้นมาในโพธิปัจขยธรรมอันนี้เช่นที่นะฮะบางทีก็ไล่มาเป็นองค์องค์องค์องค์อย่างนี้นะครั บ, บทํ า, า, างงทให้ผมสงสัยว่าการเจริญสมมุติว่าเจริญอริยมรรยมีองค์แปดนั้นเจะเรามาเจริญทีละองค์ได้ไหมครับเช่นสมมุติว่าวันเนี้ยผมตั้งใจที่จะเจริญสัมมาทิฏฐิ หรือต้องการที่เจริญสัมมาสังกปัปปะองค์เดียว อ, อย่างนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับคือปารัในฐานะเป็นประธานได้แต่ว่าเราไม่สามารถแต่ยกเจตสิกมาโดดๆไม่ได้คือสติเจตสิกเนี่ยเมื่อเข้าเกิดขึ้นสติเจตสิกอันนั้นเป็นสติประธานเป็นสัมมาสติเป็นสตินรีย์เป็นสติภละเป็นสติสัมโพชงเนะี่ยตัวสติอันเดียวโดยชื่อได้หลายชื่อ แต่การที่เราปรารพกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการเน้นหนักอันใดอันหนึ่งได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมรับอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นเขาก็เป็นสัมปยุต ธ, ธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะยกตัวอย่างถ้าสติเจตสิกเกิดขึ้นอย่างเดียวเนี่ยนะบริวารเกิดตามเป็นพรูนเลยถ้าสติเกิดอย่างไรซะวิตกะก็เกิดเนี่ยนะเมื่อสติเกิดเนี่ยนะพวกฮิริโอต ป, ปะศรัทธาเป็นต้นก็เกิดร่วมด้วย กนะุศลธรรมอย่างอื่นๆก็เกิดร่วมด้วยแต่เราปรารภธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเป็นหลักอันนี้ได้แต่ว่าโดยสัมปยุตรธรรมเนี่ยนะถ้ายกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดนะที่เหลือต้องเกิดยกตัวอย่างไม่เอาหลักสติจะเอาแต่สัมปชัญญาจะเอาแต่ปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าที่ใดมีปัญญาที่นั่นต้องมีสติด้วยแต่ที่ใดมีสติไม่แน่ว่าจะมีปัญญาเพราะว่าปัญสตินี้เป็นญาณวิปยุตก็ได้ สัมปยุตก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าสติเกิดร่วมกับโสพนธรรมทั้งหมดเธอปรารภในฐานะเป็นประธานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อำนาจของสัมปยุต ธ, ธรรมหรือสัมปยุตตปัจัยเป็นต้นเนี่ยเขาจะเว้นจากกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะเจริญที่เราองค์เช่นสมมติ <c oughs> ว่าจเจริญสัมมาทิฏฐินี่นะครับแต่ก็มีน า, ายความว่ า, เ, าเกี่ยวข้องกับนามรูปหรือว่าเกี่ยวข้องกับป ร, ม, ธธรมัตธรรมหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับขันาาธ์ธาตุยตนะ ยิ่งแต่ว่าเราจเจริญว่าสมาธิทีินั้นเนี่ยเบื้องต้นที่สุดก็ได้แก่กรรมสกตาปัญญาเราก็เจริญตึกไปในเรื่องกรรมสกตาปัญญาเนี่ยเพราะมันเป็นเบื้องต้นเลยของของของสมาธิเนี่ยก็ตึกไปในเรื่องของโดยที่ไม่สนใจในเรื่องสัมมาสังกปะสัมมาวายมะคือต้องการที่จะพอกพูนสมาธิเนี่ยตั้งแต่พื้นฐานคือกรรมสกตาปัญญาเนี่ยไล่มาเลยนะทานมีผลชาติเนี่ยมีชาตินี้มีพ่อแม่อะไรตามที่ว่าใน กรรมสรัทธาปัญญาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งให้ให้มีพลังให้เข้มแข็งก่อนจึงจะไปไล่ไปถึงเรื่องว่ า, าถ้าสัมมาทิฐิสูงขึ้นไปเช่นจะต้องรู้ขันรู้ธ า, ยายตุใหญอัญตนาอะไรพวกนี้นะฮะเช่นพันอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจริญทีละองค์ไหมครับคือถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการศึกษาเรียนรู้นั้นนะให้ความสําคัญเป็นองค์องค์ไปแต่ที่จริงแล้วโดยธรรมชาติของเขาเขาเกิดพร้อมกัน แต่ความสนใจของเราให้ความสนใจทีละอย่างเนี่ยน ะ, ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเหมือนกับบารมี10เนี่ยน ะ, ะนะศีนบารมีเนคขมบารมีวิริยะคันติสัจจะเป็นต้นที่จริงก็คือกุศลธรรมที่เกิดร่วมกันนั่นแหละแต่จะยกอะไรมาเป็นตัวประเด็นชูเด่นเนี่ยนะแล้วแต่เรา เ, าเอาอะไรเป็นเครื่องเด่นชัดเช่ๆแต่ในขณะเดียวกันธรรมะอื่นๆก็มีอยู่อันนี้โดยโดยสัมปยุตตะปัจจัย แต่หัวข้อทำที่เราเอามาปรัรบเป็นหัวข้ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีวันนี้ปรัรบเรื่องนี้วันต่อๆไปก็ต้องปรัรบอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะคิดทีเดียวพร้อมกันหลายเรื่องได้ก็เอามาคิดเป็นเรื่องๆก่อนก็เหมือนกับยกตัวอย่างนะเราเรียนอภิธรรมมัทธสังฆะเก้าปริเชษใช่ไหมที่จริงมันก็ต้องเรียนทั้ง9ก้าริเชษนั่นแหละแต่วันนี้เอาปริเชษหนึ่งก่อน นนะจะสนใจแต่จิตจิตวิภาคอย่างเดียว น, นะยังไม่เอาเจตสิกอะเอาไว้ก่อนเจตสิกรูปเอาไว้ก่อนยังไม่เอาจะเอาแต่จิตอย่างเดียวอันนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเข้าใจจิตจริงๆก็ต้องรู้เจตสิกด้วยแต่ถ้าจะรู้เจตสิกได้ก็ต้องรู้วัตถุเป็นที่อา ศ, าศาัยเกิดและอารมณ์ของจิตเจตสิกด้วยเนี่ยนะแล้วก็ต้องสา ม, มารถแยกแยะจิตเจตสิ ก, เ on, เกโดยนัยต่างๆได้คือปารัเป็นข้อๆได้นะให้ความสําคัญเป็นข้อๆได้แต่ กุศลจิตที่เจริญขึ้นเนี่ยนะอย่างไรเขาก็เกิดพร้อมๆกันนั่นแหละแต่ว่าอะไรจะเด่นชัดเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าในขณะอริยมรรคเกิดขึ้นทุกอย่างเขาจะสมบูรณ์สมดุลกันหมดเลยเรียกว่ามรคสมังคีแต่ถ้าหากว่าในชั้นวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะกุศลธรรมอื่นๆก็มีอยู่แต่ว่าจะเด่นเฉพาะองค์เฉพาะองค์เนี่ยนก็ด้วยอํานาจของอารมณ์ด้วยนะปรารบอารมณ์อย่างนี้สัทธา ม, มาก ปาราลบอารมณ์แบบนี้บ er. ่อยๆสัทินรียมีกำลังถ้าปรารบอารมณ์ล <sh nings> ักษณะนี้บ่อยๆวิริยินทรียมีกำลังถ้าปรารบอารมณ์แบบนี้บ่อยๆสติินรียมีกำลังปรารบอารมณ์แบบนี้มากๆสมาทินรียมีกำลังปรารบอารมณ์แบบนี้บ่อยๆปัญญินทรียมีกำลัง